สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพรซูตอนที่สี่ร้อยยี่สิบสามเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่สามดังันครับเช้า ว, วันนี้เราอาจจะไม่ใช้เวลามากจนเกินไปแต่ด้วยเนื้อหาสั้นๆห้าอย่างซึ่งเป็นเรื่องราวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระคัมภีรได้เปรียบเทียบพระวิ ญ, ญาณบริสุทธิ์กับของห้าอย่าง และของห้าอย่างนี้ได้แก่น้ำมันเจิมได้แก่น้ำได้แก่ความสว่างได้แก่ไฟและได้แก่ลมทีนีครับพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสี่เหมือนเดิมนะครับข้อที่สิบแปดถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดเราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลียว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 และเราจะรักเขาและจะสําดงตัวให้ปรากฏแก่เขาเพียงครับวงจรแห่งความรักก็คือพระบิดาทรงรักโลกทรงรักเราทั้งหลายพระเยซูก็ทรงรักเราทั้งหลายและพระวิญญาณก็ทรงรักเราทั้งหลายและนี่คือองค์เตรีกานุภาพพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธ พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธินั้นทรงรักเราและเมื่อเรารับความรักของพระองค์วงจรแห่งความรักนี้ก็คือเราต้องรักพระองค์กลับครับหมายความว่าต้องตอบสนองตอบพระองค์ด้วยความรักเช่นเดียวกันถ้าเขียนเป็นรูปวงกลมนะครับพระเจ้าซึ่งมีซึ่งประกอบด้วยพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์ตรีกันุพภาพนะครับและลูกศรก็ชี้ลงมาถึงเราครับ เป็นวงกลมแล้วสอนก็ชี้กลับจากเราไปถึงพระองค์เป็นวงกลมนี่เป็นวงจรแห่งความรักเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้ารักเราและเราก็จะรักพระองค์ตอบอันนี้เป็นบัญญัติในมหาบัญญัติข้อแรกก็คือว่าจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดนะครับนี่คือการแสดงความรักระองตอบพี่น้องครับในพระพตีตอนนี้ได้พูดถึงว่าถ้าเรา รักพระเจ้าพระเจ้าก็จะยิ่งรักเรานะครับผู้ที่เรารักนั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราก็รักเขาและสิ่งที่เป็นหลักฐานแห่งความรักก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพี่น้องครับเมื่อเรายิ่งรักพระเจ้าพระเจ้าก็จะยิ่งรักเราที่เป็นวงจรแห่งความรักที่เราจะมีกับพระเจ้าและพระเจ้าจะมีให้กับเราเพราะฉะนั้น การดำรงหรือการทรงสถิตของพุทวิญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้มแข็งเข้มข้นขึ้นในบรรดาผู้ที่รักพระเจ้าการสัมผัสถึงการทรงนำของพระธิญาณบริสุทธิ์ก็จะแข็งแรงเข้มแข็งเข้มข้นขึ้นสำหรับผู้ที่รักพระเจ้าการประจักษ์ถึงการทรงพระชน์อยู่และพระราชกิจของพุทธิญานบริสุทธิ์ก็จะเข้มแข็งเข้มข้นและมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในผู้ที่รักพระเจ้า ยิ่งมากเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงประทับอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อก็คือพวกเราทั้งหลายทุกคนพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเทียบได้กับของห้าอย่างอย่างแรกคือน้ํามันเจิมน้ํามันนั้นมีไว้สำหรับเจิมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นน้ํามันธรรมดาแต่เป็นน้ํามันเจิม ภาษาอังกฤษใช้วาไอ้นอยจีทออยก็คือเป็นน้ำมันที่ใช้เจิมครับสำหรับมหาปูโรหิตที่ใช้ในพวิหารเราจะเห็นว่าในพมพีเดิมนั้นพูดถึงเรื่องของการเจิมก็คือการแต่งตั้งนั่นเองนะครับการแต่งตั้งความหมายของการเจิมอีกแบบหนึ่งก็คือการแยกออกมานะครับคัดออกมาแยกออกมาภาษาอคงกฤษใช้ว่าเซตอะพารเซตอะพาก็คือการแยกตัวออก นะครับแยกตัวออกจากโลกครับแยกตัวออกจากของที่เป็นมนทรินนะครับเพื่อการนมัสการเพื่อการรับใช้นี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเจิมหมายความว่าพระองค์ทรงแต่งตั้งพระองค์ทรงแยกเราออกมาให้เราเป็นของถวายแด่พระองค์แด่พระเจ้าของถวายในการทำพระจิตของพระองค์ของถวาย ให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเครื่องบูชาเป็นเครื่องน้ำอสการพระองค์ประการที่สองครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเหมือนกับน้าครับน้ามีอยู่สองประการที่นี่ก็คือน้าในการชำระเราให้ปราศจากบนทินน้ำมันเจมิมเซตพาร์เราให้เราไม่ทำบาปเป็นน้ำพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็จะชํำละเราให้พ้นจากความบาปนะครับเป็นการขัดเกลวชีวิตของเราไม่ให้ทําบาปอีกต่อไปลดการทําบาปลงเรื่อยๆในขณะเดียวกันครับน้ำก็ยังมีหน้าที่ของการรีเฟชรีเฟชชิ่งครับก็คือทําให้สดชื่นเหมือนกับนักกีฬาที่เดินมาเหนื่อยเหมือนกับคนที่ออกไปทํางานกลับมาจะต้อง ล้างหน้าล้างมือนะครับทำให้สดชื่นก่อนจะกินอาหารเราต้องเช็ดมือเช็ดหน้าให้สดชื่นเช่นเดียวกันครับน้ามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการชาระล้างและในวิธีกานก็ทาให้เราสดชื่นนะครับมีชีวิตชีวามีเรี่ยวแรงกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งประการที่สามครับภาพที่สาม พระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเสมือนกับเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างนําทางชีวิตของเราเป็นแสงสว่างในมันคาของเราพี่น้องครับถ้าเราดูในพระพีเดิมอะไรที่เป็นแสงสว่างในมันคาครับก็คือพระวจนะพระเจ้านั่นแหละครับเราจะเห็นครับว่าภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือทําให้เราทั้งหลายเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้งเราอาจจะจดจำพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ เพราะบางคนอาจจะมีอายุสูงเป็นผู้ที่สูงวัยจำไม่ค่อยได้แต่พี่น้องครับลองดูครับอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าขอพระองค์ทรงโปรดประทานความจำให้กับข้าพรองค์ให้ข้าพระองค์สามารถจำโพชนะของพระองค์ได้ให้สามารถล้ำลึกถึงโพชนะของพระองค์ได้ให้สามารถใช้โพชนะของพระองค์ยั่งเกิดผล ให้สามารถให้คำปรึกษากับตัวเองให้คำปรึกษากับคนอื่นด้วยพระเจนะของพระองค์พระเจนะของพระองค์นั้นทําให้เราเข้าไปสู่ความชอบธรรมและเข้าไปสู่สัจธรรมหรือความจริงอันสมบูรณ์ด้วยการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองประการที่สี่ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเสมือนกับไฟนะครับไฟนี่คืออะไรครับ เป็นการเสริมแรงเป็นการเผาผลานเป็นการร้อนรนที่เราอุทิศตัวถวายแด่พระเจ้าพระนิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ที่เร่งเร้าเราให้เรามีความร้อนรนในการมีใจนะครับทำงานของพระเจ้าเร่งเร้าเราให้เราร้อนรนในการที่เราจะถวายตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเร่งเร้าเราให้เราร้อนรน ที่จะไปประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์เร่งเรา้าคนให้กลับใจพี่น้องครับพระเยซูได้เปรียบเสมือนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับไฟครับนะครับและในวันคอนเทคเซสันฐานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลอยอยู่เหนือทีศตะของบรรดาสาวกเหล่านั้นก็คือสันฐานเหมือนลิ้นและมีไฟสุดท้ายครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปรียบเสมือนกับเป็นลมครับ ลมนี้ก็คือมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้เพราะปัญญาเบญสุดจะเป็นผู้ที่ทําให้เรารู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าได้สำคัญอยู่ที่ว่าเราไม่สามารถรู้สึกได้เพราะอะไรครับบางคนอาจจะเนื้อหนังมันด้านนะครับเวลาที่ลมพัดมาไม่ค่อยรู้สึกหรือบางคนอาจจะมีสิ่งขวางกั้นระหว่างลม ตัวเขาเองร่างกายของเขาบางคนอาจจะใส่สวมใส่เสื้อผ้าหรือบางสิ่งบางอย่างผมอยากจะเปรียบเทียบว่ามีสองอย่างครับที่ทำให้เราไม่รู้สึกและไม่ประจักษ์ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือมีบางสิ่งบางอย่างขวางกั้นเราระหว่างพระองค์กับเรานะครับสิ่งขวางกั้นนะครับหรือเราเองนั้นเป็นผู้ที่ทาบาปเยอะนะครับเราเองนั้นเป็นผู้ที่ อยู่ห่างไกลจากพระเจ้ามานานฉะนั้นการสัมผัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงมาไม่ถึงชีวิตของเราพูดง่ายๆว่าจิตสำนึกของเราเนี่ยมันเย็นชาตายด้านครับหรือพูดแบบคนอาจจะไม่ค่อยสุภาพหน่อยก็คือว่าเราหนังหนาครับเราหนังหนาจนไม่สามารถรับรู้ว่านี่คือร้อนนี่คือเย็นนี่คือลมพี่น้องครับหากว่าเราซื่อสัตย์กับตัวเองหันมาพิจารณาตัวเอง เราคงจะตอบตัวเองได้อย่างไม่มีอคต <is> ิด้วยการทรงนำของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราในครับในการที่เราจะสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสถึงการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ผมอธิบายไปแล้วในชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละวันแต่ละวาระโอกาสที่เราต้องตัดสินใจวาระโอกาสที่เราจะทำบาป พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราเวละโอกาสที่รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกต้องแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราเวละโอกาสที่เราจะเข้าไปสุมเสียงบางสิ่งบางอย่างที่จะทําไม่ชอบพระทัยของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเติบโตฝ่ายวิญญาณด้วยการทรงนําด้วยพระคิณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราต่อไปอาเมน